ฟังทำเพื่อเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติหลายอย่างการสนเนอเอาการได้ยินได้ฟังเอาชิกนงานรอบเอาการกระทาจนเข้าถึงผมรู้สึกตัวให้ได้ การสอนธรรมะเนี่ยปฏิบัติทรรมภาคปฏิบัติก็มีส่วนประกอบพอสมควรผู้ปฏิบัติผู้นำพาปฏิบัติเหลียนตามพ่อก่อตามครูก็เป็นอย่างนั้นครูของเราคือพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงพระธรรม พระเจ้าพระธรรมที่ทำให้เกิดเป็นพระธเจ้ามีอยู่จริงปฏิบัติตามทำนั่นสำเร็จได้จริงชื่อว่าพระสงฆ์คือควรรมอดูดในชีวิตของเราเนี่เข้าให้ถึงเพื่อเป็นการด่วนให้ได้ประโยชน์สาหรับ การศึกษาธรรมะต้องมีส่วนประกอบผู้สอนต้องได้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติอาจจะพบปกับผู้ปฏิบัติบ้าง <c oughs> ไม่บ้างนะทุกวันสอบถามดูทุกวัน ให้ผู้ปฏิบัติได้ถามบ้างมีผู้ที่จะถามมีผู้ที่จะตอบบ้างเพื่อให้มันดุลดวนสำหรับหลงตาเวลานีบกพ้่องมากอยากจะถามเห็นคนเดินจงกงมเห็นคนทำ สมาธิปฏิบัติธรรมอยากจะถามอยู่แต่ว่าเมื่อถามผู้พู ด, พดออกมาเราก็มาไดเยินไม่ค่อยสะดวกเมื่อพูดถามพูดพูดพูดตกเราปฏิยินหน้าพูดตกผู้ที่เราพูดด้วย พูดเบาๆ เ, เราก็บรเรียนคนที่พูดด้วยต้องพูดเรงๆการพูดแรงๆไม่สุภาพไม่เรียบร้อยไม่เป็นปกติของผู้ที่พูดแรงนะก็ไม่ไม่สะดวกอาจจะไม่มีใครอยากจะพูดด้วย เกิดคำหนึ่งไม่ได้ยนินสองคำไม่ได้ยนินต้องพูดตะโกนเสีสามคำสี่คำจึงได้ยนินมันผิดปกติจึงเบื่อเขินเส็แล้วเรื่องนี้ตำนาที่ไม่สมบูรณ์ได้ข้อมูลถ้าไปสอบถามได้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติจะมาพูดมาบอกมันเป็นปัจจุบันมันสดสดเขาส ด, าสดเรื่องสด เ ร, จจเรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบันแล้วก็เลยทำให้รีบด่วนในเดินชาแต่แผู้ปฏิบัติยังก็ต้องเข้าให้ถึงวางชิ่งต่างๆวางใจสู่กับปกติกับสติให้ได้ควนขวขวยเป็นส่วนตัวเป็นกรณีพิเศษให้ได้ เหมือนคนมีงานมีการต้องรีบไปทำถ้าไม่รีบงานมันข้างมาันจากสำเร็จตด้งปฏิบัติก็เช่นกันต้องรีบรีบด่วนๆช่วหน่อยสิ่งใดไม่เข้าใจเพียนพม่ยามให้ทำให้สิ่งนั้นเข้าใจ สิ่งใดไม่รู้เพียนพยายามให้รู้สิ่งใดไม่แจ้งเพี้ยนพยายามให้แจ้งอนสิ่งนั้นได้ไม่ใช่ปล่อยทิ้งงานข้างยุ่งเหยิงเป็นอาคูลอาณาคุราชกรรมันตาการงานอาคูลสับสนยุ่งเหยิงไม่เป็นขึ้นเป็นส่วนการจเจริญสติต้อง ขวนขวยผสมควรแวกออกไปให้เข้าถึงสติมีอะไรขวงขัน้นไม่ใช่สติแวกไปให้ถึงสติทุกกรณีเรียกว่าปฏิบัติขอทางสัสก่อนจึงจะไปถึงโู้จากหลบตูจาดลีกลู้หลบเป็นปีกลู้ลีกเป็นหางมือนเราเดินทางด่วนของเขา ก็ต้องประมาว ไ, ได้บางทีเพื่อนที่เดินทางก็เน่นช้าก็ขอทางไปเหมือนรถที่วิ่งบนถนนรถคันที่เดินวิ่งไปข้าหน้าช้าเปิดไฟขอทางไปซะก่อนีิตของเราก็เหมือนกันขอทางคือสติขอ่าน เพื่อนหลงขอผ่านแม่เราเดินอยู่นั่งอยู่ขอผ่านตรงที่หลงจากคนอื่นเขาจะชวนให้หลงแล้วก็ขอผ่านไปไม่ใช่ <Hey. S 1> เพื่อนหลงเราก็หลงเพื่อนสุขเราก็สุขเพื่อนทุกข์เราก็ทุกข์ผ่านตรงที่มันไม่ใช่สตินั่นแหละให้เป็นสติทั้งหมดนั้นได้โอกาส ได้ผ่านสิ่งที่เป็นผิดให้เป็นถูกมันเป็นงานเป็นการถ้าผิดเป็นผิดสุขเป็นทุขทุกข์เป็นทุกข์มันก็ไม่ได้ทำงานทากา ร, การยังเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ผ่านสักตีก่อนที่ไปถึงเหนือสิ่งเหล่านี้ม่ต้องผ่านโอกาสที่เราผ่านมีเยอะแยะมาหาท่านขับดานตรงนั้นก็ได้ ตรงที่จิงเวล่อมต่างๆขวางกันเราแผผ่านไปได้มืล่ลานที่จะว่าลุกก็จะหมุนน้ําสนก็จะพาปลาชีอ่อนตันหนาก็จะทางใช่ไหมลุกก็จะหมุนน้ําสนก็จิพาปลาชีอน้นตันหนาคือทางในประสงค์เร็ว ใจประสงหหอดเกี่ยวใจประสงหอดเกี่ยว่ทถาบสิคนหาคือมักผลไิ้พานเลหอดเก้ยวคือสูงสุดอยู่ในถ้ำในที่ไหนก็ต้องขุดถางงั้นอาจารย์พุทธทาสวา่ารู้จักตัวเองคำนี้หมค้นพบแก้วได้ในตั่วธาต อยากห่านอกตัวจะป่วยการโดกบัวบานอยู่ในเราอยากเขาไปในดอกพัวมีมณนีอันเอกุดเบื้องมนุษย์ค้นหามาให้ได้การตัดชะลูหรือลู้เสียงใดล้วนมาจากควบรู้ในตัวสูเองพุทธธินเทศโหดแก้ว ในความหลงในความไม่หลงหานะตรงนี้ในความทุกข์ในความไม่ทุกข์ในความเกิดใ น, กในความไม่เกิดในความเกี่ยวใความไม่เกี่ในความตายมนความไม่ตายหานะได้ตรงนี้หานะได้ตรงนี้ถ้าไม่มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ปฏิบัติ เปลี่ยนแปลนทางดีเปลี่ยนร้ายเป็นดีจันจะเรียกว่าปฏิบัติสิ่งที่มทไม่ดีมีอยู่ทุกโอกาสเกิดขึ้นกับเราได้ในสิ่งที่ดีมีทุกโอกาสเกิดขึ้นต่อเราได้ผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่ประมาทตรงนี้นะไม่ประมาทตรงนี้ก็ไม่ประมาทจากนี้ไม่ใช่คำแบดคำผลลังสู้ว่าหน้าสุเด่นธรรมใจสมมาทิฏฐิ ไม่ได้เงืลคย้อยสัมมาวะสัมมาสักบปูใช่ไหมก็ไม่งเลคย้อยสัมมาวจาสัมมาอาชวะสัมมาััโตสัมมาวายโมสัมมาติสัมมามิไม่มีเงือนลใครย้อยเลย เป็นการปฏิบัติธรรมทำทางใจเป็นส่วนใหญ่แม้กายเราอาจจะหมกมุ่นอยู่กับอะไรก็ตามตำน้ำพริกหมข้าวปรุงอาหารปวดบ้านถูบ้านแต่ถ้วใจมันก็เป็นปฏิบัติธรรมได้ การกระทำทางกายเป็นเพียงกิจิยาไม่เป็นกรรมแต่ทางใจนั่นเป็นกรรมทำอะไรก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้จะให้เป็นกรรมชั่วเป็นทุกข์เป็นคนลำบากไม่ใช่อ่ไ้เป็นลำา่วมลำบากเงาไหลก็ไม่ลำบากเห็นปฏิบัติธรรม มันร้อมันหนาวเห็นมันโลดมันหนาวใจยังปกติไม่หวั่นไหวไว่ให้สิ่งต่างๆพาให้พัดพาไปเป็นถูกเป็นทุกเป็นอะไรต่างๆยังปกติยังปกติกตถ้าเราฝึกหัดแล้วก็ไปเหนือเหนือ สภาพจิตใจสภาพจิตวิญญาณถ้าไม่พึงหัดก็ไปก่อนอันอื่นสุขถึงก่อนทุกข์ถึงก่อนโอเจ็บเจบตายเป็นอะไรต่างๆถึงก่อนเป็นอะไรนิดหน่อยก็เจ็บเจ็บเจบตายไปก่อนออกหน้าออกตาเมือหลง ออกนั่งออกต่อโดนก็มีสุกไมีทุกตอใจไม่พอใจเาะไม่ฝืงขัดตนเองคนร้ายคนดีกูผู้แฟร่แพร่ไม่ทำอะไรไม่มีอะไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเตล อกบน่นวนคิดในลมที่คุณคิดไม่มรู้จักสอดความคิดไม่ไ้ทำอะไรก็อาจจะผิดศีลทำไมเศ้าหมองได้เปิดเพื่อนได้นอนอยู่ก็ผิดศีลบุคภิกษุใดที่คุณคิดแต่ลมที่คุณคิดคิดถึงการเก่า อะไรต่างๆที่เคยทำํำในความกําหนัดในความค่อยในความเป็นดีเธอก็หลงไปในความคิดไม่จักสัดความคิดดอกศินของเธอก็เธอรู้แลว้วด่างแลว้วพ่อยแลว้วไม่เป็นผู้ประพฤติผอมาจันทร์ว่ า, างตนว่าเป็นผู้เป็นประพฤติผอมาจันทร์ อิสุนั่นเป็นผู้เน่าในเปียกแขะเหมือนโบสที่เดกขยะโหนสอยปกปิดซ่อนเท่นนี่คืออริยธรรมอริวินัยตริยธรรมอริยวินยั ย, นยปานิตกว่ามาในพระปาติโมกเป็นธรรมมันเป็นเครื่องตัดสลูเป็นศีลสิษฐขะเป็นสมาธิเป็นปัญญาต้อง เข้าถึงอริยธรรมอริยวินายอะไรที่จะเห็นความคิดคือสตินี่เลยมีสติเห็นไม่ปล่อยภิกษุใดเมื่อเธอคุณคิดในลมที่คุณคิดเธอมีสติเธอสลัดความคิดมีสติภิกษุน้นเธอนอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ นั่งอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ปลาโลกหวมเพียนคือมันมีสหมหตุทิฏฐิละเอียดปานนีตเป็นทางไปสู่มรรคสุผลต้องประกอบกันกับาการกระทาด้วยเราได้นั่งลงบนที่สมควรได้กำหนดมีสติ นั่นเป็นลาบของเราแล้วสุดยอดแล้วกลัวที่จะมาจุกหรือรู้สึกตัวมันผ่านอะไรมากลัวจะมาถึงตรงนี้ไม่เป็นสิ่งที่น่าเตียดข้านอะไรมันเป็นสมบัติมันเป็นชีวิตชีวาได้มีสติรู้ไปในกาย มีสติรู้ภายในจิตใจที่มันคิดเห็นทาางงนต่าง ๆ, างๆที่มันเกิดขึ้นกัดบ่อยครับใจมีสติรู้ตื่นรู้มันเป็นชีวิตชีวาเป็นส่วนตัวส่วนตัวถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรแล้วช่วงนั้นไม่มีวันไม่มีเดือนไม่มีปีไม่มี สุขไม่มีทุกข์นอทุกอย่างจนชำนิชำ น, นาญชำนิชำ น, นาญโริสุ์เป็นภรฌานหลุดพ้นตรบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็เสร็จ แล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ใช่รูปใช่นามให้สำเร็จประโยชน์รุ่มค่าที่มีรูปมีนามถ้าเราไม่มีสติเป็นผู้ใช้รูปใช่นามก็ผิดวาผิดหนังกตนตามความชั่วให้สำเร็จ ทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายถ้าเราไม่ฝึกหัดถ้าฝึกหัดก็ทำไม่ได้เลยความชั่วระวางหลงกับหลังลู้ระ ว, งระวงังทุกข์กับหลังไปทุกข์มันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันทุกข์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ถูกต้องแน่นอน ดำเบิเศ้าหมอนอันไม่ทุกข์แต่มันง่งง่ายๆราไม่เคยเห็นเส้นผมบางผูเขาบัวมมีสติแล้วมันเห็นเนี่ยเห็นเงื่อนไขเห็นหล ง, เ ห, ล เ, เ, หลงเห็นลูกเนี่ยเมื่อเห็นหลงเห็นลูกก็มีเป็น การงานที่ช่วยตัวเองไม่เคยช่วยตัวเองสักทีชีวิตเป็นผ่านมาเกือบจะตายทิ้งไปเปบ่าหรือตายไปกับพบกับชาติมากปานไม่เคยช่วยตัวเอง เป็นุขเป็นทุกข์มีกายมีใ จ, ม, ใจมีตามีหูมีลูกมีนามเป็นวัตดุปรณ์ทําให้เกิดความสุขความทุกข์ความรักความจังใช่มีสติใช้ไปเป็นเลยไม่เห็นตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองหลงก็หลงอยู่เช่นนั้นสุข ก, ก็สุขอยู่เช่นนั้นทุกข์ก็ทุกข์อยู่เช่นนั้นหน้าเก่าๆแต่ก็ไม่กีนลังยั่งยืนอันความสุขความทุกข์นั้น ก็ยังหลอกอยังมีอำนาจบังคับขับใสชีวิตเราให้เป็นไปต่างๆพอมามีสติมาเห็นเนี่ยแล้วก็เลื่อนหูเลื่อนตาขึ้นมามองดู ในตัวลูกไปในกายในทุกส่วนของชีวิตมีสติเป็นหน้าตาลอบลอบแล้วก็เห็นเห็นอะไรที่ไม่ใช่สติที่มันเกิดขึ้นมาก่ที่เรามีสติเหมือนตาที่เราเลือนดูก็เห็นอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าสติมันโลอโลอ บ, อบมีความรู้จักตัวมันเห็นอะไรต่างๆ เห็นหลงเห็นโูกเห็นทุกข์โด้เปลี่ยนแปลงเป็นสตินันเป็นงานเป็นการเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมายิ่งกว่าทำไล่ทํานาผูกข้าวผูกผักผูกท่านลกต่นใจเป็นปัจจตังเป็นนกาลิคธรรมเป็นกอบเป็นกรรมได้สมผัส นที่ไม่มีงานอะไรที่จะทันใจเหมือนกับการปฏิบัติธรรมมีสติได้สมัมผัสทั้งจิตวิญญาณได้สอนตัวเองนหาจะขยันพวกเราไม่ควนขวยจะอยู่ในสานะแบบไหน ให้มันชํานาญในทุกกรณีมีสติออกจากท่านเดินจะกลมเดินไปไหนมาไหนไปด้วยสติอย่าทิ้งอย่ามีการอย่ามีเวลาอย่าให้มีเวลาอย่าให้มีการมีความรู้จักตัวไปโดยทุกกรณีอยาจะพูดจะจาไปคขบไปฉันขณะที่ฉันขณะที่ อะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับกับใจหัดฝึกหัดตน้นสอนต้นให้มีสติให้มันทีถีสักหน่อยให้มันเต็มพื้นที่ก็ะจะได้เป็นใหญ่หรือว่าสติอินทรีย์ใหญ่กว่าอย่างอื่น เมื่อสติอินทีย์เป็นใหญ่ตกตใหพวกหูจะบอกดีนกายใจก็รับใช้เป็นอุป ก, กรณ์ให้รับใช้ในการมีใจก็รับใช้สติถ้าเราไม่ฝึกหัดตาก็เป็นใหญ่หูก็เป็นใหญ่จมูกลดีนกายใจเป็นใหญ่รูปลดขีนเสียงเป็นใหญ่อารมณ์เป็นใหญ่ เราใช่สิแล้านั้นก็ตกเป็นอ บ, บายไปเป็นพวกเป็นชาติชาลามรณะโศกปริวทวิทุกปายซะงานเขาเราอะไรงานปฏิบัติธรรมเนี่ยต่งานชีวิตชีวาจะเหนือการเกิดแก่เจ็บตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนชีวิตเรานีมันเป็นเรื่องที่ด่วนนะ มันเป็นเรื่องรีบต้วนมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรประมาทเล่นกับชิงเหเ่านี้ใช่การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มันก็จบเป็นแล้วไม่ใช่เราจะอยู่อย่างนั้นความสุขก็จบเป็นความทุกข์ก็จบเป็นความโกรธก็จบเป็นความหลงก็จบเป็นปัญหาก็จบเป็น ม, ญญมีสติมีปัญญามีสติมีปัญญามีสติมีปัญญาแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วกอนแต่ก่อนเราจะสงสารรักรักแม่รักพี่รักน้องทนุนันมีสติปัญญาอิน สติอินทียยิ่งใหญ่แล้วก็เกิดเปลี่ยนแปลง เ, ปลเกิดมหากรุณาธิคุณไม่ตาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณเกิดขึ้นกับบุคลเช่นนั้นจิงล่ไล่เป็นดีนิจภาพราบเรียบไม่มีอะไรเหลือหลอ ถ้าเราไม่เผืัดไม่ปผื่อตนอนตนแม้แต่อารมณ์ก็ยังค้างอยู่จนตายก็ไม่โกรธจนตายหลงจนตายทุกจนตายถ้ายออกมาคนตกเป็ ด, เ, ปดเห็นแสดงท้าตกเป็ดเวลาจะตายมันเคยกินมันใหญ่มากอารมณ์เป็นใหญ่ไม่เห็นที่เยทางอะไรเลยปิด หมดเอยไปทางไหนหมกมุ่นคุณคิดจะเรื่องนั่นนันคนข้าจัดก็ตายแบบคนข้าจัดคนผิดศีลก็ตายแบบคนผิดศีลเก็บแบบคนผิดศีลทุกแบบคนผิดศีลบางทีนอนหายใและลินและลนอยู่ก็ขอกิ่น ลเลือดแดงๆกินไม่ได้ก็ขอให้เห็นเักหน่อยเห็นหัวก็คิดจะ ก, กินตับกินเลือดมาโน่ไปทั้งเป็นมนุษย์สาปโต้ไม่คิดถึงสิ้นถึงธรรมเลยมันก็มีนระกจริงๆชนะีวิตของคนเราถ้าไม่เปิดมาไม่เหมือนจดเละฉาน มันมีวิญญาณตาก็มีวิญญาณหูก็มีวิญญาณจมูกเรื่อกายใจมีวิญญาณมันแล่นเป็นตายเห็นลูกก็แล่นไปแล้วพอใจไม่พอใจแล่นไปตามลูกจนได้กายใจ กายก็แล่นไปตามตาใจก็แล่นไปตามตาหูก็แล่นไปตามตาจมูกก็แล่นไปตามตาลิ้นก็แล่นไปตามตาตามันเป็นใหญ่แล่นไปตามหูแล่นไปตามจมูกแล่นไปตามลิ้นแล่นไปตามกายแล่นไปตามใจอ้อพับที่สุดเลยก็ไม่ฝึกตนสอนตนนะ ไม่เป็นอสระไม่สงบไม่นิ่งไม่ปกติเราจะเห็นได้เมื่อ เ, าเรามานั่งเข้าแขนเข้าเยื่อแขนอราได้เห็นได้สอนตัวเองมันหมกมุ่นคุณคิดไปครับมาอันชิดมันก็ไม่มีตัวมีตนอะไรแล้วก็กับบาลูนี่มันรู้จริงๆเพิ่มหลง มันก็ไม่หลงจริงๆความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็ไม่อยู่แล้วก็มาได้สนตัวเองไม่สัมผัสได้สัมผัสกับธรรมได้สัมผัสกับาธรรมความถูกต้องความไม่ถูกต้องความเท็ความจริงเป็นชีวิตที่เลือกได้จริงๆขณะที่เราปฏิบัติเลือกเอาเลือกเอามามาผลกันราเลือกเอาในสิ่งที่มันดีมันดี ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นเลือกเอาสิ่งที่มันดีในความรู้จักตัวไปมันสำเร็จสำเร็จสำเร็จสำเร็จทำได้สำเร็ จ, เ, ร จ, เ, รจเป็นกอบเป็นกวามขึ้นมาได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกมีสติยูทูกวินาทีเน่วินาทีแล้วลูกวินาทีและลูกมันเพียงพอมันงอกงาม เป็นการป้องกันอดีตเป็นการแก้ไขอดีตเป็นการป้องกันอนาคตเป็นปัจจุบันที่มีความพร้อมถ้ามีสติเป็นหลักแล้วมาหลงเป็นรูดทันทีมาผิดเป็นรูดทันทีเมื่อทุกเป็นรูดทันทีว่าสุขเป็นรูดทันทีนีค่คือมันพร้ความพร้อมคือมีตามกบฏฐานรูปแบบของกบฏฐาน สมประชญญัญยะบพะทุกวินาทีเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันทานใจมันพลังมันเป็นพลังหาพลังที่ยิ่งใหญ่สติปัฏฐานสมปชญญันญะบพะสมประชญญัญยะบพะเนี่ยมีพลังมหาศาลเสริมได้รู้จุดตัวรู้สึกตั ว, ตวจะเป็นคนอย่างไรก็ตามถ้าได้ดอบ สิบสี่จังหวะมันไม่ทุกวินาทีเนี่ยมันมีอะไรที่เกิดขึ้นขณะที่มีสติมันเปลี่ยนได้ทั้งนั้นถ้าแต่ใช่แม้บางทีมันเกิดอะไรที่มันใหญ่ๆมาก่อนความโกรธความโลภความหลงอารงมันมาก่อนแต่ว่ามีสติไปเถอะแล้วมันเกิดขึ้นมาลู่จากตัวไปก่อนมันจะไม่มีพลังแรงเพราะมันคิดมันลู่จากตัวเหมือนกับดับไฟเวลามัน โหมง ม, มากๆแต่มันดับไปได้เอาเวลามันอ่อนลงะมันมื่อกีที่หลังสติมาอยู่ก่อนแล้วอันเดือืน่นกีที่หลังแล้ว ก, ก็อ่อนแด ก, กว่านี่วิธีปฏิบัตินะไม่มีวิธีอื่นใดที่จะมีพลังมากเท่ากับสัมปชัะบัพพะรู้อยู่ไหนรู้อยู่เนี่ยการที่จะเข้าให้ถึงเข้าให้ถึงหาว่ะเช่นนี้ ขอใช่ขอเขี่ยขอเป็นกองเขี่ยทุกชีวิตให้เข้าถึงตัวสติที่เป็นมีสัมปชัญญะบับาพแบบนี้มีสติปัก า, าอยู่เป็นประจำตามที่พระเจ้าสอนมีสติปัก า, าอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผาจิตเรความเพียรคือใส่ใจอยู่เสมอโอ พอใจและความว่าพอใจที่มันเกิดขึ้นมีสติอมันมีงานงางทีทางไปมันพอใจมันไม่พอใจถอนดอกมาลูจุดตัวมันจะหลงถอนมาลูมันจะโกรธมันจะทุกข์ถอนมาลูอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมันต้องผ่านตาคือสตินี่อ่านตัวนี้เห็นทุกกรณีสติเนี่ยอันที่มันเกิด กกายจากใจสิ่งไหนที่มันเกิดที่ไม่ใช่สติในไหนการในใจนี้ได้เกี่ยวข้องใยสัมผัสทุกหย่อนได้เป็นพื้นที่ก็เหยียบมิจะลอยสติเหยียบลงไปในเหยียบในความหลงเหยียบในความทุกข์เหยียบในความโกรธเหยียบในความลักควงมเจ้าเหยียบในความพอใจเหยียบในความไวยพอใจมิจะลอยสติจะลงไป มันจึกสำเร็จนะ้าได้เห็นสิ่งใดที่ไม่ใช่สตินั่นหละถูกแล้วเหยียบมันไปให้เป็นพื้นที่ของสติเหมือนคนทับหลาชาวไรนาสี่สิบไร่แปลงใหญ่ห้าสิบไร่แปลงใหญ่คนทานาต้องเหยียบทุกพื้นที่ในเนื้อนาเหือยบจับเม็ดข้าวทุกเม็ด เ, ดเป็น สิบ ส, บ, สบตันนั้นผ่านมือทั้งนั้นผ่านทางกระทาทั้งนั้นนันมาเลยมันเป็นมันไ ป, ไ ป, ไปเองถ้าเหยียบแล้มันเฉียดไปเลยมันเสียดไปเลยมีสติมันเหยียบในความหลงเหยียบในความสุขเหยียบในความทุกข์เหยียบในความรักความจังพอใจไม่พอใจเหยียบในจิตตนฐานสนุกนะต่อจะพูดทั้งปฏิบัติธรรมเนะี่ดูแล้วออ รู้แล้วก็เหยียบแล้วมันสุกลู้แล้วมันทุกรู้แล้วมันชี้กันมาลู้แล้วแต่มีความรู้แล้วนี่เป็นงานของเรานะที่เวันนี้ให้เฮียนกันเถอพวกเรามีโอกาสแล้วเรานั่งอยู่นี่ยังมีคอตั้งอยู่บนบ่ายัง ม, มือยังมีอะไรที่ทำได้อยู่เนี่ย อย่าไปเช่ออย่างองื่นให้ดูด่วนเชิงหน่อยก็หนุ่มก็อย่าประมาทคนแก่ก็อย่าประมาท ค, ความมีสติมีได้ทุกคนเป็สนสากลไม่แต่เลือกเพศเลือ ก, อกวัยเลือกลัทธินิกายชาติภาษาม<ะ>ีสติได้ไหมครับส<ะ>ิ่งที่เรากลัวคือกลัวว่าคนจะไม่ปฏิบัติธรรมเท่านับเด็กแ น, น พวคนจะไม่มีนะมาปฏิบัติถ้าคนไม่มีปฏิบัติก็หมดฟองเราเมื่อ <c oughs> เป็นอย่างนี้เราทําไงเราเองให้คิดจากนี้นะเคยคิดจากนี้เหมือนกันตุโดดเข้ามาก็โดดเข้ามาอย่าให้ความลักความช่องกักขังชีวิตเราได้ กระโดดถึงสติได้หาสมควรใจเวลากับพระบ